พระธรรมเทศนาจารกเกลื่องแปดแหล่งออกยอดภูกตีหกเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทาหกประโ ย, ยคนักทาเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราะระหะโตส ม, มาสัมพุทธัสสะ ูณติวเสตปจักันตวมหาเสนังติจัสมาณติสาทาวดราสปุริสาตังาลทังยิ่งใจมวนหมู่อันนั่งอยู่นานำ ส่วนเจ้าหอคำยศใหญ่นอนอยู่ใต้รุกขากับนอพุทธนุ่มเนากันรุงเจ้างามดีก็รีบหนีปิกปอก <c oughs> วายน้าออกไพรสนตั้งสองคนเจ้าคาตีมากกว่าเรียวปันก็มาตันเจ้าหมู่อันข้างอยู่วันอน่อน อันจอดนอนอยู่ท่าบ่นี้กว่าต่างใดเจ้าห่อใจหันแล้วใจพองแผวเจริญไข่คำหวานเก่าโอ้หือได้หูจูคนคนแล้วถอยหุ่นมวนหมู่ป่อขึ้นสู่เวียงใจกอมีหันแหลน้า ตาต่อปารังทัดแต่นันไปนาะตนเจ้าฟ้าห่อใจก่อข้ดใจดันสอดคนิ่ิงรอดคุณนาะ <c oughs> ยังหน่อพุทธากำพาอันจอมกว่าแดนไกว่ามามันไว้กว่าหมู่ไปเป็นคู่ตนกูมันอินดูแถมเล่าปันกินเข้าปุกงา มันนาณาธากำพาใจกว้างกาสาครกูตกโดนป่าไม่กันบ่ใดมันไปเตี่ยงตายหนป่ากว้างบ่อาจอ่างคืนมามันนาณาธากันอยากใจมันหากเป็นบุญมันมีคุณหลายแหล่กูควรแผ่ตกปันยังรางวัลอันใหญ่ เอมันใดเป็นดีเจ้าปุริเกิดแล้วก็หือ้อามาดแก้วต่างตาตกแต่งดาเครื่องใจมีพ้อมไขจู้อันอันตั้งเงินปันคำร้อยของใหญ่ยยน้อยนาหนากกันว่าดาแต่งแล้วเตา้าต้นแก้วหอคํากอไข่กําโอกาส แกอามาตเตรียมใจว่าจุงไว้อย่างง่ายไปบอกไาหลานกูฮือมาจูติไก่กูจักใส่รางวัลอามาตพันมือไว้ว่าลานเต่าไทายคนใดอยู่คนใดไปแจ้งขอเต่าแสงไข่มาตนพาญาก็เกาฮือหูข่าวตามราย ว่าวงสายกูเต้าบ่อยู่ดาวแดนไทยบ่มีภัยเป็นลูกบ่ได้ผูกใจยิ่งไว้เพิ่งปิงอยู่ใกล้หรือผูกไว้เป็นลานเต้าว่าใจผ่านกำพานขี้มาเร็วไว้ตัวกูไปป่าไม้ช่วยกูไว้ป่ามามันอนาถาผางราย เจอมันอายหลานกูกันฟังดูบ่ทีหากเมนตีเป็นหลานแลยนะต้องสุดต่ามาดแก้วเตรียมใจฟังเต้าไขแจ้งทีบอมีทีสังกากอทุนลาตันเต้า แล้ออกฝั่งฝ้าเร็วไว้ออกเพียงใจไปนอกไปสู่ขอกสีมาถึงเกหาตุบน้อยแห่งเจ้ายอดซอยบุญมีไขว่วัดตีก้าวเฮือได้หูโจผัการแล้วนำหนอโพธิ์ยันหนุ่มเนามาไว้เจ้าภูบาน พระประจ า, านลายหลากตามเต้าหากยอตั้มได้ยินคำเต้าเก่าว่ายเบาลานกูจุมคนดูลายแลก็ว่าแต่เป็นลานแห่งพระผู้บาลตาาาันเต้าเขาจื่เยายินดีอันจุลีน่อมไว ห อ, อมเสียงไข่ยิงใจเจ้ายินไอเลือแลบหูแกกำไดลวดเร็วไวขึ้นสูนยังที่อยู่เฮือนตนก็มีหันแหลนาตาต่อปัญญ า, าแรกแต่นั้นไปนาบ่เนินจากหึงนานพระผู้บานยดยาวตนภาพดาวปุรี <c oughs> โรกรรมมาต้องในแห่งห้องกาญาลวดมารณาก้อยกาจีวิตขาดเสียตนโกลาหุนอันใหญ่เกิดขึ้นไขว่เวียงใจเสนาในผู้เท่าอามาดเก้ากว่ารีปนตั้งหมูค่คนไผ่ไตตกเอาไม่ น, นำ พอห่อคำมนเศร้าย้อนว่าเจ้ามันตายกันว่าหายต่ำก้อยโศกตุกก้อยบางเบาจุมหมูเขาหนุ่มเทาเสนาเก้าคุณเมืองโยท่ทาเรื่องอาาตพาจะาราชโหราพร้อมกันมามวลมากแล้วเลือกซากทรสงสาการ แห่งพระผัวบ้านเต้าเจ้าตามรีดเก่าเดิมออนก็มีหันและนาอาถาในกาละนั่นคนตั้งหลายหนุ่มเท่าอามาดเก่าเสนาเขาก็มามวนหมู่พร้อมน่าอยู่โรงกันปึกสะกันพร้อมไข่ ว่าตนเต่าไทายราชาได้ไก่กาก้อยกาดละภาาตดมองขีเป็นปุรีมองเป่าบอมีเจ้าทรงเมืองไห้จะเคืองหลายแหล่ซึกเตียงแผ่มาป้อนจนไผ่มานอุบาทเตียงมาปาดเวียงใจจะเอาไผ่นั่นเหล่ามาเป็นเจ้าเรารา ย้อนภาญาต้นเก่าบ่มีลูกเตาหญิงใจวงสาใสายปีน้องกวรหนังห้องเป็นคนหรือวงมุนเก่าเงากวรเป็นเจ้าผาปูรี <c oughs> บ่หันมีสักผู้บ่หูอยู่แดนใดกวรเร็วไว้รีพาวส่อหาเตาทรงเมืองแดเตอ ในกาลนั้นปรโรหิตอาจารย์ผู้เทาก่อตันเล่าไขจาว่าดุราตันตั้งหลายเฮยมวนหมู่พอมนากูายิงใจกวรเราลายน้อยใหญ่ลองจามไตตามทาอันกาะํำแต่ก่อนเจนปูมอนซอนไขคือเร็วไวแต่งไวยังรถใหม่เกียงคาน ตามโบราณรีดเก่าแล้วน้อมไว้เจ้าเทวาดาอันรักษาเขตทองพระเทต้องปุรีเทวาดามีบุญใหญ่อันโย่ไปห่อคำช่วยจากน้ำรถแก้วไปอเศแอวคงควายหายังใจบุญกว้างกวรอยู่สร้างเป็นพญา คือพรเจ้าไฟโนยได้จื่นจ้อยเจยบบานกันวอนวานเสียงขาดปล่อยรถราดเราไปแม่นบุญในจัดแล้วบ่อกาดแก้วมีลายเตียงสมมมยไฟอ้างบอ่อวิดว่างเสียซุมจะแลนะ่นา ต้ อ, องสุดตาคนตั้งหลายมวนหมู่ฟังกำปูปารโรหิตาต่างสมนัตาจจื่นสูสาธุอยู่เนืองนั้น <c oughs> แล้วเอากันตกแต่งตามปิมแปงปังหลังผ้าดับยังรถแก้วงามเลิศแล้วใส่สีเครื่องเต้ามีใส่ไว้เฮอพรพอมไขจูภาการ มาเจียงขานผ่าเสือดงามลำเลิดข่าวปอนเข้ามาจอนรถราดแล้วโอกาสเตวาดาวาเตวสังคโยข้าแด่เตวาดาเหยมวลหมูอันตั้งอยู่จูพิมานตุกสถานแดนเขตดาวพระเตตนานา <c oughs> เทวดานยศใหญ่อันอยู่ไปเวียงใจเทวดาในอากาศอยู่ภาษาถอคำอยู่ดงดําเถื่อนทองหรืออยู่ห้องคงสวรรค์จุงป้ากันฟังข่าวอันค้าเก่าจากใครแม่นใจได้บุญกว่างกวนอยู่สร้างเป็นพญา เือพาเจ้าไฟไต้หายมุนไม่มองผ่านอยู่สถานแห่งห้องคงเขตต้องเด่นได้อยู่ภายในไปนอกหรือข้างขอกสีมากตววดามวนมากช่วยจากหลากนำไปยังรถใจมาแก้วเฮือรอดแล้วนำมา อย่าไกใก้ากาดก้อยดังข้าน้อยวอนวานกันใครขานเสียงขาดก็ปล่อยรถราดไปปันก็มีฮันแลยนาในกาลานั้นบุษรสเล็มผาเสดคื อ, อบังเกิดมองกลเตว่าดาดลน้นำกว่าบ่อได้จ่าเร็วปัน ก็พายพันลาภาคออกไปจากเวียงใจประทักสิ้นไปลืมเล่าไข้ตีเก้าสามตี <c oughs> แล้วก็ดีไปนารี่ปนกว่าจอมลังก้องกองดังคาคืนดังจากฟืนดินดานมาเจียงคานตัวกาลากรดกว่าเร็วไว ไต่ต่างไปจะใจออกต่างใหญ่ปลายวาลัดตรงนาป่าไม่ถึงรอดไกเดนดงก็อจอดลงบอดจ่าตัดสองนาเกา <c oughs> เหาเฮือนมุงข้าตบหน่อยแห่งเจ้ายอดซอยบุญมีเจ้ายินดีจืนยาวโหร้องเศร้าเดือง น, นันแล้วเอากันน้อมไวเสึยงเจ้าแก่นไทยนอพุทธา โรฮิตาฟูเากก้มเก่าเรียวปัยกยังขันดอกไม้เข้าไปไกลไ ข, ขล่คานไข่เอกกัมวานโอกาสขออาราธนาวาคาเดมะหาราจเจ้ามีบุญกเก่าเหลือหลาย ขอพดภายผู้ข้าไปเป็นเจ้าฟ้าทรงเมืองผู้ข้าเครื่องคำเจ้าย้อนบ่มีเจ้าปุรีโสกมองขีเอาไม่เกิดขึ้นไขวียงใจขอมีใจแพ่กว้างอย่าได้มั่งเพธาปรโรฮิตาผู้เทาก็ตานล้จาจกไข่ ด้วยกำไ่จื่นจ้อยริรํำถอยนาหน้าหืดอปุถาบุ่นไ่รููแจ้งไขจูพักการหนอโป้ที่ยานหูแล้วบอกการแกอ่ถอยนี้แปลงใจดีรับไว้ยังดอกไม้เตียนคำหือสมกำมักไฟแห่งไพใต่ยิงใจก่อมีหันแลน่า ตะตานั่นตารังลำดับนั่นเหล่าปารโหฮิตเท่าอาจารย์ฮื้อโยทะหรโหรองสนันกองสามตี <c oughs> นันตาเพรีกองใหญ่กอฮื้อให้เอาใจแล้ว เ, เร็วไว้น่อมไว้ขอเจ้านอไทยบุญขวางกับตั้งหนางนอเนา งามบ่อเศร้าอโนจารีบไปกายกผ้าออกไปจากเรลื่อนตนขึ้นหนั่งบนรถแกว้วโหรองแลออกแกว้วเตียวไปถึงเยียงใจเตตองขึ้นสู่ห้องหอจันแล้วเอากันอภิเศกอธิเรกมงคลยังหนอตสาสะปนนมเนาหฮือเป็นเจ้าภาพป ร, รา ยกยังงาโนจาน้อยนาเธอเป็นราติวีสระเวยปุรีรวมเต้าภาพแผ่นดาวอานาเกมีหันและนาตอมาทังปากกาเสนโตศรัทธาศรัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสานาวาเตตังอาเนตวาดังนี้เป็นตนพิงคาเวดุราภิกูตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาติเชื่อนักผาตทรงญาณส่วนโยธาหารอามาตทจาราดโหราพลา ม, มานาผูเทานำเอาเจ้าบุญเรือง มาถึงเมืองเตต้องขึ้นสู่ห้องผังกาปารหิตาผู้ใหญ่ก่อเอให้กองใจสัญญาไปถั่วดาวือหวข่าวตามมีว่าือเจ้าปุรีมณ์มูรีไปสู่ล้านหลวงเล่นปันปวงต่างๆตามอันจางไผยมัน เพื่อทุ่นวันเต้าไม่ตนยอดใหญ่บุญหลายคนยิงใจเท่าเ่าได้ยินข่าวของใจเขาเร็วไว้หลังลูกไหลมาสู่สนามโป้เต็มตามจุติียายจดทีเต็มตันให้ไขหันเต้าไม่ว่าน้อยใหญ่สันใด ลูกลานภัยแต่ก่อนเขาบ่อนเคยหันจริงมากันจูผู้บอกเวนกูยิ่งใจย้อนใจไม่พอเต้าตนภาพดาวปาราพ่องแข้งขาอิดอ่อนไม่เต้าซนนำตั้งพ่องอย่างควางแปดปังไปต่างคางเหมือนปูพ่องทุกถูยกหลากมีหลายลากไกลผากาน <c oughs> ่องเอาลานเจียห้อยจูงลูกน้อยเป็นสายคนยิงใจม้วนหมูอดเอาอยู่เนืองนั้นเล่นม่วนกันจูอย่างตามอันจังใจหุมกันมาสุมพร้อมแล้วเปรโรฮิตแกวแก่เมืองโยธาเรื่องอามาตพระจ า, ารา์เสนากองอุตสาภิเศก อาติเรกทุนควันยกจอมท่านกำผ้าคือเป็นเจ้าฟ้าเสวยเมืองยกนา่งบุญเรืองยอดซ้อยงามจินจอยอนชจาคือเป็นจ้าญ้ารวมคางแห่งเจ้าจังบุญมีตามประเพนีแต่ก่อนบอกผ่อนสักอันก็มีหันและนะ อันว่าโพธิสัตตนองอาได้เสวราชเป็นพาญานยนบุญนามากว้างได้ก่อสร้างปางอ่อนบ่ออาวอนอกสกเศร้าทุกคำเจ้าใจจมต้าผ า, ารม่มเกิดรอดคนิงสอดคำแดงเป็นของแป้งก่าใหญ่อันฟังไววเมื่อนานก็มีราชาองการปงขาดืออามาตเซนา ไปนำมาใสา่ไว้ในเล่มใหญ่ช่างหลวงคนปันปวงหันแล้วใจพ่องแผวยินดีว่าเต้าเรามีบุนกว้างใดก่อสร้างหน้านำก่อนเงินคำพดออกตีข้างขอกปาราเปื่อจากมาช่วยเจ้าเือเตียงเต้ายืนไปเขาจะาใครเหล่าเศ้าไปตัวดาวปุรี สนเจ้าบุญมียดใหญ่ปฏิบัติไต่ตามทำบ่หมัวดำมืดเศร้าทุกคำเจ้าโอวยตานแก่คนผ่านอยากไรบ่ว่าไก่และไก่ข่าวเลือไปตัวดาวว่าตันเต้าขุนนาคนอนาถานุมเทาไหลหลังเขาตั้งวันเต้าย่อปันจูผู้หอเวนกูยิงใจ ตรวจนางชมชายนอนเ now งามบ่อเศร้าอโนชาเป็นจาหญารวมข้างแห่งเจ้าจังบุญมีก่อปฏิบัติดีบอกคาตามโอวาตกองทำหูแยงย่ำแก่เท่าทุกคําเจ้าแสวงบุญบ่อตารุนอยาบจ้าบอด่าว่าคนได้ย่อมมีใจแผ่กว้างหุมก่อสร้างตางดี เจ้าปุรีภัยน้อยนาะจื่อจ้อยเจยบ้านอยู่สำรานตัวเดาไขาเขตเต้าบุญเรื่องก็มีฮันและนาะ <c oughs> ทีนี่จากวันะนะานาจะกเราถึงสามีเก่าราชเตวีคือโจตีละเศรษฐีหนุ่มเดามุนบางเต้าเงินคำสมบัตินำเติีมแทง พ่อแปดแหล่งเป็นใบปล่ยอยมีใจโลบมากตันหาหาก้าบังบอกกึดหลังกึศนาโลภากาเหลือลายมีใจไม่ไขได้กาและใหญ่คำแดงจริงจะแข่งต้านต่อกับนางงนออนุชาภูมีิริญาบ่เศร้าปฏิบัติเขาตามธรรม ดาคับจำคือภาครับนีจากไปพันดังก็พันจาก้องไปสู่ต้องแดนไก่ดังได้ไขบอกเราตั้งแต่เก้าเดิมมากันเอโนจาน่อแก้วลงเหอนแล้วหายหนีโจตีลาเศรษฐีบาปกาบ่อได้จาเรียวพันฮือค้นพันขึ้นสู่ยังที่อยู่กาแล อันพันแพ่ปวงยอดยกแล้วถอดลงมาฮือนำปาไปเหล่าถึงปูเ่เทาเศรษฐีไขวตีกาวแสงแหลกแปดแหลงคำแดงเอามาแย่งพ่อเฝ้าว่างงามแต่เหล่าเฮือนกูบออินดูกอตรอดยังดังยอดอนุจายอนตันหาหลายแลสระแผ่หัวใจ ตันอะไรเสียงขาดบ่ไม่มาดมองผ่านเต่าสำรานคำเจ้าบ่าบนเศร้ามองขีดมันยินดีหลายลากว่าของกูมากหนาหนัมตั้งเงินคำมาจา้างภับ่อ้างเตรียมตันเมียกูพันุผ่าข้างเป็นป่อฮัางเงินนากูจักหาสาวน้อย มาอิงอ้อยเตรียมคิงกันขาดิ้งเกิดแล้วก่ อ, อเศรแอลแสแวงหาเอาภาริญาแถมหม่นางนั่นใจสามานรวบเพียงคานสะอาดวันนาวิลาชเปื่งเป้ากายาขาวอ่อนอวลลักขนาทวนดูดีเป็นสาวชีขึ้นใหญ่ เศรษฐีไฟหุ่มจมอาภรมรักมากบ่หื้อภาคใสตาหนังนันนาใจหยาบบส่สภาพตามทําบ่รู้ยำพ่อแม่ตั้งเท่าแกตานายบ่คงควายก่อสร้รางบ่อไฟอ่างต้านสินได้แต่กินนุ่งยองปันอัวจ้องมาญาจุนจันตาห ล, ลบไล่พ่อหอมไขตั้งเฮือน ใจเฝ้าเฟื่อนเฮาหาดบ่อฉลาดจบทองบ่อหูกองเก่าเกลือเอาผ้าเสื้อสุนกันมักนอนวันลุกลาเตียวย่างกว่าเงือนแหงจากกำแข่งแจ้งดายั่งโมค่าคนในพื้นขัวใบเรียราดบ่อหูกวาดปัดปัว เสื้อผ้าผัวสูนใสกับผ้าไตขั้วเมียละเว้นเสียจะรีดลวงคมผิดกองทามักไขก่กมจะถอยเรียกหาโดยงวัวควายเรียกผีวะให้มาไกลกินเป็ดไก่มูมาบ่อคืดหาตังบอดบ่อคึดรอดตังดีเงินคำมีบ่อไรจกใจใจใตั้งวัน ตาจันมันมุนแป้งยองตกแต่งกาญาพ่องามตาจีนจ้อยปูนไฟหอยปิ้งแป้งเศร็จที่แฝงอยู่เฝ้าทุกคำเจ้าเอาใจท้อจันไรใบบ่อตกอยู่ไตหยอตันหาบ่อไปมาขึ้นหล่องบ่อเตี้ยวต้องกาไายเต่าอยู่ได้ปังเป่ากินของเก่าตั้งวันบ่อคืดหันตั้งไฮ จักต้องพายมาปานบ่อปอ น, นันแต่เหล่าเข้าของเก่าบกบ้างผากดตังตุกอยาเขาของภาคหายนี้ <c oughs> แต่ว่าดาดียกย่ายเอาผี่หายมาเตนเงินคำแกนห่อนไม่อยู่บ่อไดนี่หายจุงงวกว า, ายจังมากหนีเข้าป่าหายหุน มูคนขาใจอยู่บ่ได้หนีไปกาและลใส่กาใหญอันแหลกไ้เดิมมาเป็นคำขาแต่เก้าก่อหมุนเ้าพับแผ่เป็นกาแเหลไม่แหงอาเพจแสงหันรายเงินคำลายฝั่งซ่อนตีใต้บนดินดานก่อนตราธานเสียงขาด หมดเรลียนเกียงจูอันอันเป็นปันจูบันปันรอจริงได้วอดเตียวไว้บ่มีอันใด่ายใจตุกอยากไรเหลือ่านเอวขอตานดังเก่าเป็นตุเก่าสองตีก็มีฮันและนา เทนาวตังเหตุนั่นใส่พระติวัยสัพพัญญินอินดูสัตวโลกจากตุกโศไปนานจิงไขมุกคาตวนพองแผ่ออย่อยเย่มแล้วเตสนาวาตัวตันหานั้นเล่าหากเป็นเก้าตังวาย ตุกมีลายเหลือหลากย่อมเกิดจากตันหาตุกโซกาบุญไม่ตุกอยากไรหากินตุกมาวินปัดผาตุกได้จากเสียกันตุกหลายอันจังหอยมีบ่อน้อยนานาย้อนตันหาเมืดเศร้าหากเป็นเก้าปามีดังโจตีละเศรษฐียศใหญ่เข้าของไข่ถมทอง เงนคำกองจู่แห่งแหลกแปดแหลงมาแก้มบังจักแถมฮือกวางเมียรวมข้างจำนีเอานารีหนุ่มน้อยมากิงคอยปิญาขคของกาก้อยกาตุกไม่มาดมองผ่านแอลขอต้านคำเจ้ามองมนเศร้าเครื่องแก่นั้นแลยน้า ติสามาเหตุนั้นเหล่าคนหนุ่มเทายิงใจเราตั้งลายจู้อันข้างอยู่สงสารได้ตุกผ่านลายลักแ <c oughs> ม่นเกิดจากตันหากวนอดสากอสร้างแต่ตากว้างตั้งบุญตานไปนุนติดต่อรักษาสินก่อหัดใจภาวนาไปจอจอง คือป้นห้องตันหาบอโซกามนเ้าลวดดเขาเนรรพาในอนาคตะการอันจักมาไปนาม่อยาจเจรนาอันว่าจติลาเศรษฐีบาใบถ้าหมดไรสองหอนไอหมู่คนนมเท่าสะให้เก่าเดิมอ่อนยินอวบนมนเ้า ตุกคำเจ้าเครื่องขีก็บาเมียีจากห้องพระเตต้องเวียงใจขอกินไปจะใจนับอันใดสิบปีเราจธานีน้อยใหญ่แอวไปไข่หลายเมืองกรรมขี้เครื่องกันอยากไปหายจากสันดานยังมองผ่านคำเจ้า เป็นดังเก่าเดิมยินคนจาเหล่าสาว่าตันเต้าปุรีฟารานสีเมืองเก่าใจบ่เศร้ า, าเตตานเงินคำคาอนเสื้อผ้าตังเรืองงาอาลังการแก่คนผ่านอยากไรบ่เว้นไว้คนใดเท่าจันไรฟังแล้วใจพองแผ่ใจบาน ว่ากูก็ผ่านใจจ้ากวนปอกหน้าถอยห่นไปเมืองตนดังเก่าคนแก่เท่ายิ่งาจตั้งสะหายไกลไกเที่ยงจำบ่อใดดีลีอยู่ปุรีเมืองอื่นบ่อสุขจื่อใจบ้านคนทุกผ่านซ้ำไรควรรีบไปล่ะนี้ ผู้เศรษฐีถอยไร่เทา บ, าบาับใบตาเพียกอปาเมียหนุ่มเนาเตียวไตเต้ า, ต า, าขึ้นหลังเพื่อมายังเขตทองพระเตต้องเมืองตอนก็มีวันนั้นและนะนเนธีตังขีญยาสังวันนานาวีเศษจษาห้องเหตแปดแหล่งออกยอกผูกทวนหกเศรษฐีตกตกุกยากย้อนวีบากปัจจุบัน เหตุเล็งหันหิงห้อยแสงเหตุเล็งหันหิงห้อยแสงเป็นปอยเหลือไฟจักเป็นสันไดแถมเหล่าขอแก่เท่าตั้งลายตั้งหยิงใจมวนหมูอดใจอยู่ฟังไฟก่อบังกุมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล